พยายามรู้ใจตัวเองอันนี้มีโอกาสสำเร็จได้มากกว่าไปหวังให้ใครมารู้ใจเรานี่ ม, มีโอกาสผิดหวังร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าเราทันมาภาคเกลียนพยายามเพื่อที่จะรู้ใจตัวเองมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้อย่างที่เรามาที่นี่เนี่ยนะ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 คนไข้นี่ไม่ยอมรักษาตัวเองเลยยาก็ไม่กิ น, นหมอเจอคนไข้แบบนี้ก็จะขุนเคืองแล้วก็โมโหจะจะว่ายังไงเขาก็ไม่สนใจแล้วก็มาแต่ละครั้งก็อาการก็ย่ำแย่แต่ก็มีเพียบายคนหนึ่งรู้สึกผิดสังเกต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 คือคิดว่าถ้าตัวเองตายด้โลกเบาหวานเหมือนกันก็เป็นนั้นว่าได้ได้ชำระนะชำระความผิดหรือได้ไถ่โทษเนความคิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีแค่ปัญหาที่ฉลาดเลยนะมันมีแต่จะทำร้ายตัวเองก็คงคือคาการฆ่าตัวตายแบบผ่อนทรงมันนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมัน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 ทำดีตอบแทนแม่ได้หลายอย่างนะไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองตายไปเพราะโรคภัยแค่เจ็บชนิดเดียวกับแม่ให้การรู้ใจตัวเองเนี่ยนะมันมันมีแต่คุณไม่มีโทษแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจิตของเราชอบส่งออกนอกเวลามีอะไรมากระทบ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 หรือโมโหเหลือเกินนะทำไมทำอย่างนี้กับเราบางทีก็น้อยใจนะทำไมก็ทําทงนี้กับเราน้อยใจแต่เราไม่ค่อยถามว่าทำไมเราต้องน้อยใจกับการกระทําของเขาด้วยเราเอาแต่บ่นว่าทำไมก็ททำอย่างนี้กับเราแต่เราไม่ค่อยถามตัวเองว่าเราทาไมเราต้องทุกไปกับการกระทํ a ของเขาด้ว ย, เ, ยเรามักเรียกร้อง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 ที่ทำที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาหินทับหญ้ า, าหินทับหญ้านี่ความสงบถ้าทำไป ห, หินทับหญ้านีความสงบว่าเกิดขึ้นชั่วคราวระหว่องที่เรานั่งปฏิบัติไม่มีอะไรมากระทบอยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ในศาลาที่ต่างคนต่างทามันก็สงบได้แต่พอออกไปข้างนอก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 นะอยู่ในห้องแอร์อรที่กรุงเทพนะมีคอสจัดกรรมฐานนะชาวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็มีนักปฏิบัติคนหนึ่งเวลาปฏิบัตนะิก็สงบดีนะแต่พอเลิกปฏิบัติจะขับรถกลับบ้านปรากว่ารถเนี่ยมีรถคันอื่นมันจอดซ้อน ออกไม่ได้แกโกรธนะด่าเลยนะพูดด่ามาเลยทั้งที่เพิ่งปฏิบัติใหม่ๆเพิ่งสงบเมื่อสักครู่เองแค่รถจอดซ้อนคันนี่ก็ถึงกับด่าว่ารุนแรงด้วยอารมณ์โทสะนี่ขนาดรถจอดซ้อนคันคณีนะอย่างโกรธขนาดนี้ละไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแล้วนะ นี่แสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วล่ะนะเพียงแค่ตาเห็นรถนะถูกจออซ้อนคันค่นี้ก็คุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะเนื่องจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นในเรื่องการกดข่มมันเอาไว้นะกดข่มหรือไปบังคับจิตให้มันนิ่ง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 บางทีก็เที่ยวจกนกระทั้งกายเป็นเห่เล่ล่อนแล้เหเล่ล่อนไปไปม า, มากลายเป็นกระเซาอกระเซิงเอาความทุกข์กลับมาด้วยมันคิดโน่นคิดนี่แล้วก็เอาไม่ใช่คิดปเปล่าๆเอาความทุกข์กลับมาเอาความเสียใจความขุ่นเคืองความแค้น ความเศร้ามาแล้วเราไม่รู้ทันก็เท่ากับว่าโดนความทุกนี้เล่นงานกระทําย่ํำยีจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งมากระทบได้นี่นะมันก็ต้องฝึกจากการที่เรามาปฏิบัติแบบนี้แหละเพราะว่าปฏิบัติในบรรยากาศแบบนี้นี่มันมีอารมณ์มากระทบน้อย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 แต่ว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติบ่อยๆ่ยอใบๆบนะจิตมันก็เริ่มเชื่องเริ่มกลับมายอยู่กับกายกลับมารู้กายอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับควายที่พอถูกเรียกบ่อยๆถูกทักถูกทวงบ่อยๆมันก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าเส้นทางของมันก็คือถนนที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ออกไปเทเลทไหล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 เด็กเล่นควายก็เรียกมันทันทีมันก็กลับมาเดินในทางไอ้ควายนี่คือจิตนั่นเองส่วนเด็กเลียนควายคือสติไม่ไม่มันก็ทั้งทั้งควายทั้งทั้งจิตก็ไม่เชื่องสติก็ไม่ไม่ไม่ใส่ใจ แต่ทําไปทําไปอย่างที่เราทำเนี่ยนะจิตมันก็จะเริ่มเชื่องส่วนสติมันก็จะเริ่มไวนะพอสองอย่างนี้สมพงกันนะก็ทําให้การเดินไปตามทางของจิตมันก็เป็นไปอย่างราบรื่อนนะเด็กเล้ยนควายก็พาควายนะไปถึงทุ่งไปถึงนาได้อย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็ว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 เราก็รู้ทันว่านี่กำลังจะกาลังจะฟุ้งแล้วนะบางทีคนพูดนี่แหละฟุง้งเราก็รู้ทันว่ากำลังฟุ้งแล้วก็ค่อยอก็ค่อยพาจิตกลับมาอยู่กับเรื่องกับราวที่พูดแล้วก็พูดด้วยความรู้สึกรู้ตัวนะถ้าพูดด้วยความฟุ้งนี่มันเริ่มจะไม่มีสติแล้วนะกำลังจะปล่อยให้ความคิดนี่มันพาเราไป มีเยอะนะคุยพูดไปพูดมาฟุง้งจนกระทั่งไม่ยอมหยุดนะอ่านี่ก็ถ้าเรามีสติเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นนะพูดโดยรู้ว่าควรจะพูดเท่าไหร่แล้วก็พูดในเรื่องนะอันนี้มันสติเอามาใช้กับการการทำงานที่ใช้ความคิดก็ได้นะแต่ใหม่ๆ ก, ก็เราก็ไม่เริ่มต้นเราก็ไม่ฝึก ด, ด้วยกัน ทำกิจเหล่านั้นเราจะฝึกสติด้วยการทำการใช้เลเอรบทที่มันไม่ต้องใช้ความคิดเช่นยกมือไปมาเดินจงกรมหรือว่าเอาไปใช้กับการเดินสร้างจังหวะอะ่การเดินจงกรมหรือว่าการอาบน้ำถูฝันล้างจานก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมัน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 ใจที่ข ย, ยนะขยแงงยุงนะไม่ใช่คิดแต่ว่าจะจะไล่มันจะปัดมันแต่ว่าไม่ได้เห็นใจที่มันกาลังเป็นลบนะกับยุงนะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเอาใจสัก30 40บกลับมาดูอารวมความประสมนึกคิดที่มันเกิดขึ้นว่ากาลังมีความไม่พอใจยุง บางทีมันมีโทสะเกิดขึ้นมันมีความอยากจะทำร้ายยุนะงให้เราเห็นตรงนี้นะถือว่าดีนะถึงแม้ว่าจิตมันจะมีโทสะเกิดขึ้นแต่ว่าเราเห็นมันนะการปฏิบัติเนี่ยเราก็สามารถจะปฏิบัติได้เวลามีอะไรมากระทบเวลามียุงมากวนมีเสียงม า, ารบกวนะที่จริงถ้าเรามีสติมันไม่รบกวนนะ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 ก็นะคือว่าใจนี่เป็นทุกข์ด้วยไม่ใช่แค่กายนี่เจ็บหรือคันนะใจนี่ก็เป็นทุกข์เกิดโทสะอันนี้เรียกว่าอสอบตกกล้นะได้กลับมาดูใจนะว่ามันรู้สึกอย่างไรถ้ามันถะ้าถ้ามันกัดก็ให้มันกัดแต่แขนกัดแต่ตัวนะ อย่าให้มันกัดใจด้ว ย, ยคนไม่ฉลาดคนที่ไม่มีสติก็จะปล่อยให้มันกัดใจแล้วกัดใจนี่มันทุกข์กว่ากัดตัวกัดแขนนะมดก็เหมือนกันอย่างอื่นก็เหมือนกันนะนม้แ่ขนความเจ็บป่วยเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นนะมันก็ป่วยใจด้วยมีความทุกข์บนตีโพยตีพายโวยวาย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 ไปเอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจคนที่เป็นมะเร็งที่เขาฉลาดนี่เขาก็ปล่อยให้เขาก็เพียงก็ยอมให้มะเร็งมันทำร้ายกายแต่ว่าใจทำร้ายไม่ได้เขาก็เป็นปกติสุขเย็นสบายมันมีนะธรรมมาก็เจอหลายคนแล้วคนที่ยิ้มได้หัวเราะได้แม้ว่ากายจะเป็นมะเร็ง เจ็บหนักอันนี้เพราะเขารู้จักรักษาใจแต่ที่ เ, เขารักษาใจแต่เพราะเขาฉลาดในการรู้ใจตัวเองเนะคนไม่หมวแต่ส่งจิตออกนอกจนหลงจนลืมตัว